การผจญภัยของทอมตั้มการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียักษ์ที่ชอบทะเลาะกับพ่อมดโลบเรื่องการแบ่งปันสมบัติหลังจากที่ทะเลาะกันยักษ์ก็พูดสิ่งร้ายๆกับพ่อมดถ้าฉัานจะเอานิ้วมือบีบนายให้ตาย่ันก็ทำได้ไปไกลๆได้แล้วพ่อมดเดินออกไปแต่จากระยะที่ปลอดภัย เขาก็ทำการล้างแขนอราคาดาราฉันขอสาบแกขอให้ลูกชายเขาแก่ที่เกิดขึ้นมาในอีกไม่ดนานี้จะไม่มีวันโตมากไปกว่านิ้วมือเข้่าถารกคนนี้ตัวไม่ใหญ่เลยหุบปากเขาเป็นลูกเราไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนก็ตามหลังจากที่ทมตามเกิดขึ้นมา พ่อแม่ของเขาก็หมดทางเลือกพ่อแม่หาเขาไม่เจอแค่จะมองยังแทบมองไม่เห็นโเขาหายไปไหนเนี่ยพูดช้าๆพวกเขาจะต้องพูดเบาๆเพราะกลัวว่าจะทำให้ลูกหูหนวกผมอยู่ตรงนี้ฮะพะ่อพ่อไม่มีวันเห็นผมขอโทษทีนะลูก ทอมตัมชอบเล่นกับสัตว์ต่างๆในสวนและเล่นกับสิ่งมีชีวิตที่ต่างไปจากเขาพี่เจ้าท่าเป็นยังไงบ้างเขาขี่หลังท่าและเต้นกับแมลงเต่าทองเขาตัวเล็กแต่เขามีความสนุกกับโลกใบเล็กๆแต่โชคร้ายที่วันหนึ่งทําให้เขาไปหาเพื่อนกบของเขาไม่นานหลังจากนั้นที่เขาขึ้นใบไม้ มีปลากินเข้าเข้าไปไแต่ปลาก็เจอกับโชคร้ายเหมือนกันไม่ไม่ไมช่วยด้วยช่วยด้วยไม่นานหลังจากนั้นมันไปกินเหยื่อของชาวประมงของราชาเข้าและไม่นานหลังจากนั้นมันก็ตกไปอยู่ในครัวของวังหลวง <c oughs> สุดท้ายก็ได้อาการบริสุทธิ์ ปลานี่เหม็นเป็นบ้าเลยหลังจากที่ผ่าท้องปลาทอมตั้มก็ออกมาและเริ่มผจญภัยต่อไปและสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่พบเห็นโอ้นั่นมันอร่อยกันนะโอ้ผมทอมครับท่านสวัสดีครับแล้วไอ้หนูตัวเล็กนี่มาจากไหนกันหลังจากนั้นเขาก็คิดอะไรออกโอ้โอ เขาเป็นพน ก, กานในวังก็ตัวเล็กมากเลยเราเอาเขาไปอยู่ในเค้กที่เราทับก็ได้เนี่เมื่อเขาเดินทางผ่านไปเสียงของแตรก็จะทําให้ทุกคนทึ่งเลยลยๆเยี่ยมเลยโอ้นั่นใค ร, นะรนเนี่ยจริงไหมเนี่ยมันน่าจะเป็นเวทมนต์นะไม่เคยมีความพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นในวังมาก่อนแขกรบมืออย่างประทับใจในทักษะการนำอาหารของเขา แล้วราชาปรบมือดังที่สุดเยี่ยมมากวิเศษมากเอานี่ไปเลยราชาให้กุ๊กฉลาดด้วยทองถุงหนึ่งทอมตั้มโชคดีกว่านั้นอีกเฮ hey, ้ทมแกทำให้ฉันเป็นฮีโร่กุ๊กให้เขาเป็นพนักงานในวังและเป็นแบบนั้นต่อไปเขาก็มีความสุขกับเกียรติของเขานี่เลยทม คือสอดพานะของเจ้าและนี่ก็คือดาบของเจ้าเพื่อป้องกันตัวเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะเชฟและนี่ก็คืออาหารในหวังราทาก็ทอบกินสิ่งนี้นี่มันอร่อยมากๆเลยทอมได้สิ่งดีๆทั้งหมดและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเขาเดินขึ้นลงบนโต๊ะอาหารซึ่งเขาชอบมากสบายดีไหมครับท่าน อ๋อสบายดีมากเลยทอมชุดไอสวยนะทอมหมุนตัวอย่างรวดเร็วและร้องลั่นเมื่อเห็นหญิงคนหนึ่ง <c oughs> คุณคุณมีความงามมากเลยครับหญ <c oughs> ิงหัวเราะ <c oughs> โอ้ตลกมากทอมน่าเจ๋งที่สุดเลยฉันก็ยังไอทอมนี่มันขโมวราชาของฉันไป <c oughs> เขาเดินไปมาบนโต๊ะและทำให้แขกบันเทิงกับเสียงแตร แต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาสร้างศัตรูไว้แล้วก่อนที่ทอมจะมาถึงเจ้าแมวมันเป็นสัตว์เลี้ยงของราชาจนตอนนี้มันถูกลืมไปจนหมดสิ้นแกมไม่รอดแนมะ่ไอ้เจ้าทอมมันสาบานที่จะล้างแค้นทอมมันก็โจมตีทอมที่สวนวิ่งไปเล่ทอมวิ่งไปจากสวนเพื่อชีวิตของนายเองอืมฉันไม่คิดงั้นมั้ง S <S ออตอนทอมเห็นแมวเขาไม่หนีเหมือนที่แมวคิดเอาไว้และเขาเอาหบดสีทองของเขาออกมาแล้วเรียกนูสีขาวของเขาจอมตีจอมตีโ อ, โอ้ยมันแทงขท้าฉันแมวโดนดาบเล็กๆแทงเลยวิ่งหนีไปเพราะว่าพลังใช้เป็นการแก้แค้นไม่ได้แมวจึงตัดสินใจใช้เล่กกล มันมดบแกาารมมันด้ววยควาลาดมนก้งเดินไปเจอราชาตอนเขาเดินลงบันไดและเจ้าแมวก็ทำเสียงร้องเบาๆมวโอ้เจ้าแมวระวังหน่อยสิไม่ละท่านอะไรที่ต้องระวังท่านต้องระวังให้ดีตอนนี้กำลังมีคนจะเอาชีวิตของท่านหมายความว่าอย่างไรระวังใครกันเหรอ แล้วมีแผนอะไรกันและหลังจากนั้นเขาก็โกหกแย่ๆทอมตํ า, าวางแผนที่จะวางยาพิษใส่อาหารท่านวันก่อนมอมท่านเห็นเขาไปเอาใบเข็มล็อกมาด้วยอะไรนะใช่แล้วท่านมอมท่านได้ยินเขาพูดแบบนี้ตอนนี้ราชาจะต้องอยู่บนเตียงพร้อมกับการปวดท้องอย่างรุนแรงหลังจากที่กินเชอร์รี่มากเกินไป โอ้ทอมแย่มากเลยข้าชอบเขามากนะนี่แต่ว่าเขาไม่ชอบท่านนะหมอบฉันว่า ร, ราชา<อ>กลัวการโดนวางยาพิษเขาเลยส่งยามไปหาทอมตั้มเรียกเขามาเลยฮมาลองดีกับฉันด้วยดาบตอนนี้มันจะต้องโดนดาบของราชาท่านราชาเรียกหมอมฉันเงั้นเหรอโอ้ท่านดูสิ แมวเอาหลักฐานของเขาออกมาโดยการดึงใบเฮมล็อกออกมาจากหนูสีขาวที่มันแอบเอาไปซ่อนเอาไว้นั่นมันไม่ใช่ของฉันแสดงว่าเจ้าไม่ได้วางแผนที่จะเอาใบเฮมล็อกไปใส่อาหารของราชาให้เขาป่วยอย่างนั้นเหรอนทอมตํ้มทึ่งมากเขาพูดไม่ออกไม่รู้จะปฏิเสธว่ายังไงจับเขาทันทีเลย ราชาไม่รีรอจับเขาเข้าคุกเพราะว่าเขาตัวเล็กมากพวกเขาเลยเอาทอมไปขังในนาฬิกาเรานี่มันโชคร้ายจริงๆเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเวลาของทอมก็คือการใช้เวลาขี่ลูกตุ้มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนคืนหนึง่งเขาได้รับการสนใจจากผีเสื้อกลางคืนที่บินอยู่รอบห้องโอ้คุณผีเสือ้อ ช่วยฉันออกไปหน่อยทอมร้องและทุบกระจกโอู้เธอคือใครเนะี่ยฉันทอมขอละช่วยฉันออกไปหน่อยโอู้การโดนขังมันแย่นะปรากฏว่าผีเสื้อเพิ่งถูกปล่อยออกมาหลังจากโดนขังไว้นในกล่องใหญ่เธอสงสารและเห็นใจทอมตั้มจึงได้ปล่อยเขาออกมาข้างนอกเอาละ ขอบคุณนะแล้วจะไปไหนล่ะทีนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่มีที่ไปไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะพาเธอไปที่อาณาจักรผีเสื้อที่ที่ทุกคนตัวเล็กเหมือนเธอเนี่ยแหละพวกนั้นดูแลเธอแน่จริงเหรอขอบคุณมากๆนะและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจนวันนี้ถ้าคุณไปที่อาณาจักรผีเสือ้อคุณจะเห็นอนุสาวรีผีเสื้อที่ทอมตั้สร้างขึ้น หลังจากกรารผจญภัยที่ยอดเยี่ยมของเขา